พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่สโดยขออ่านใหม่พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพ่อแม่ทางกาย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 ศิล ส, สมาธิปัญญาอย่างไรตามแนวแถวของพุท ธ, ธะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเออคนเหนือจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอีก เ, อเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก่อนที่จะพูดจะกล่าวมาแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านก็บอกว่าณโมตัตสะปะกาวาโตเออข้าพเจ้าขอนอบน้อมเดชพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 พอรวมสงบคนมาแล้วนั่นแหละเราจะรู้ได้วก า, ายกับใจใจกับกายจะเห็นได้ชัดอที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบฤๅหลูงพ่อเปรียบเทียบไม่ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจของเหมือนกับคนขับรถไม่ต้องถามใครรู้ในปัจจิตตังทำมรรคของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจิตตังรู้เฉพาะตนไม่ต้องถามใครรู้ได้เออจริงฮะ นี่แหละบทพิสูจน์บทพิสูจน์อย่าไปสงสัยเฉยเฉยอย่าไม่เชื่อเฉยเฉย เ, เชื่อก็ต้องมีเหตุผลไม่เชื่อเพราะเหตุอะไรถ้าทำดูแล้วมันไม่เป็นอย่างที่วาจิตสงบแล้วยังไม่ก็ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่รู้แสดงว่าเราทำไม่ถูกรอเปล่าเราทำไม่ถึงรอเปล่าเหมือนกับเราไปขุดเขาว่าตรงนี้มันมีแร่เงินแร่ทองแต่เราขุดไม่ถึง